แต่ถ้าสมมติเราไปขนขวายวัตถุต่างๆมาบำบัดความทุกข์ชนิดเนี้ยให้จิตของเรามันมีความเพลินเพลินในการอยู่การกินกันหลับการนอนการพูดกันคุยกันได้ทําอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเพลินต่อการหาเงินที่บางครั้งก็ทุกข์บังตายนะเพลินเกินหาเงินทํางานหาบุญหาบุญค้ำไม่ได้พักผ่อนอย่างเงี้ย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 อตัวนี้ปิดไว้คือสติมาท่านใช้คําว่าอินทรียสังวรเคยได้ยินคานี้ไหมอินทรียสังวรในตัวอินทรียสังวรนี่เองมันจะนําไปสู่ตัวเศรษฐีประธานสี่เอาละไหนๆก็พูดถึงเรื่องอินทรียสังวรอินทรีสังวรเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรเป็นที่มาของอินทรียสังวรสมมุติว่าเอาละวันนี้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 และโยนิโสมนัสิการนี่เองนําไปสู่ทําให้เกิด si won. อินซีสังวรอันนี่ที่มาเขาเขาว่าอินคือมาพูดเข า, าอีกสังวันมันหมายถึงตัวเนี้ยหมายถึงฝาตัวเนี้ยหมายถึงตัวสติว่ามีการสําบูรณ์ระมัดระวังตาหูจหมูกลื่นกายใจอ won, สังวรสํารวมระวังเมื่อก่อนนี่เราจ ะ, ะฟังอะไรแล้วก็อยากจะ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 ว่าเรามาเจริญสติปัฏฐานสีได้อย่างไรมันจะต้องมีฐานตัวนี้ก่อนเพอจจู่มาอยากจะเจริญสติเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะต้องมีที่ไปที่มาน่ะเอาละทีนี้พูดถึงเรื่องเรื่องนี้จบไปเรื่องที่สองต่อมาปารกถึงเรื่องหลวงพ่เทียนพูดตอนเย็นนี้ว่าเบื้องแรกที่สุดที่ท่านสวรสดหลักๆ้วท่านให้รู้โดยเฉพาะคนสุดท้ายเนี่ยให้รู้อะไรนะรู้ลูกนามใช่ไหมลูกทำนามทำ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 แค่รู้เนื้อรู้ตัวชัดๆแล้วเมื่อก่อนรู้เนื้อรู้ตัวรู้แต่ว่ามันรู้ไปกับความคิดแต่ไม่มารู้กับความจริงความรู้ควรู้เนื้อรู้ตัวที่เรารู้รู้กับความจริงความจริงที่ว่ามนไม่คี่มีกี่อย่างสี่อย่างใช่ไหมเราทุกเราไม่สบายกายล้วก็มาปรับนู่นปรับนี่การรู้จักปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวนี้ก่อให้เกิดตัวสติสัมชัญะญ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 สมมุติว่าเอาละเอามายมนั่งเนี่ยยมอยากจะลุกใช่ไหมเพราะอะไรที่อยากจะลุกอยูหมอเป็ด น, นั่งท่านนี้อยากจะพลิกไปท่านเนี้ยเออเอาให้แน่ความอยากเกิดความคิดหรือความคิดทําให้เกิดความอยาก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 รู้คนใส่เข้าไปเท่าไหร่หลงคนจะใส่เข้าไปเท่าไหร่อารมณ์คนใส่เข้าไปเท่าไหร่ <end ess irable> เหตเุผลคนจะใส่เข้าไปเท่าไหร <end ess> ่ถึงจะพอดีถ้าใส่เหต Boost, ุผลล้วนๆไปไงโอ้ of, เข็มจัดเลยนะแต่ใส่อารมณ์ลว้ลวนๆไปไงโอ้ of, จืดจัดเลยนะแต่ถ้าใส่เหตุผลบ้างอารมณ์บ้า ง, Light ang, า ง, างพอดีอารมณกลมกล่อม <end ess> ชีิตเป็นอย่างนั้นดังนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่อง <end ess> ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะเป็นเรื่องจริงดังนั้นจึงบอกว่าให้รู้